ห้งสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองในเวลากลับมาท่องเที่ยวจิตตานะครจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยววัดตะวัดตักไม่ได้หมายถึงชื่อวัดแต่เป็นสังสารวัตรสังสารวัตรที่หมายถึงการวน แล้วก็เวียนว่ายทำให้เรารู้สึกว่าการเวลาผ่านไปเรากำลังก้าวไปข้างหน้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเรากำลังเดินวนอยู่หลังจากนั้นจะพาไปพบกับมายาแห่งชีวิตที่เรียกว่าโลกธรรมแปดและพาไปเที่ยวภูเขาวงแหวนสิ่งใหม่ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในจิตตะนาครและหลังจากนั้นนะคะสมุทัย ซึ่งได้สองสมกำลังผู้คนเอาไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลกำลังจะแสดงแสนยานุภาพญาตราทับให้นครสามีได้ดูชมเพื่อให้ตระหนักในความยิ่งใหญ่ในอำนาจของสมุ ท, ทยัยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปติดตามความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจของฝ่ายสมุ ท, ทยัยส่วนฝ่ายคู่บา ร, รมีต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าจะมีอะไร ที่จะเอามาคัดง้างหรือว่าเอามาต่อสู้กับฝ่ายสมุไทยได้บ้างแต่ตอนนี้นะคะไปเที่ยววัดตะกันก่อนดีกว่าค่ะไปเที่ยววัตะวิธีที่สมุไทยทำให้ชีวิตเนิ่นช้าทำให้ผู้คนหลงวนเวียนอยู่ในวัดตะทั้งสามสมุไทยมีวิธีทำให้เนิ่นช้าคือทำให้เราหลงวนเวียน อยู่ในวัตะทั้งสามนั่นก็คือ 1. กิเลสวัตะวนคือกิเลส 2. กรรมวัตฏะวนคือกรรม 3. วิบากวัตฏะวนคือวิบากผลของความวนทำให้เกิดเวลาและเวลาก็ดูล่วงไปเร็วดูเหมือนไม่เนิ่นช้าถ้ามองดูนาฬิกาจะเห็นว่าเข็มวินาทีเคลื่อนไปเร็วมากแม้วันคืนเดือนปี จะรู้สึกว่าช้าไปโดยลำดับแต่ถ้ามีอะไรมาทำให้เพลินก็เหมือนดังประเดียวเดียวหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าทาไมการเวลาช่างผ่านไปรวดเวร็วเหลือเกินเวลาดวงอาทิตย์ทําให้เกิดวันคืนเดือนปีซึ่งรวมเรียกว่าเวลาถ้าโลกหยุดหมุนก็จะไม่มีเวลาการหมุนของโลกนั้น ก็คือหมุนวนเป็นความวนนั่นเองเป็นการกลับไปหาจุดเก่าซ้ำๆซักๆซ้ำแล้ว ซ, ซ, ซ, ซ้ำเล่าเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นแล้วก็กลับไปเช้าสายใหม่เวลาที่ล่วงไปล่วงไปจึงไม่ได้ทำให้ใครก้าวหน้าไปข้างไหนยังคงก้าวไปในความซ้ำๆอยู่นั่นเองยังคงทำกิจวัตรประจาวัน เหมือนเดิมและเหมือนเดิมตื่นนอนก็ล้างหน้าบ้วนปากรับประทานอาหารเช้าทำกิจต่างๆบริโภคอาหารมื้อต่อไปทำกิจต่างๆจนกระทั่งนอนหลับไปนึกว่าวันนี้รุ่งขึ้นก็ทำซ้ำกันอีกก็นึกว่าพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเป็นต้นคิดว่าไม่ซ้ำวันเวลากันแต่ความจริงก็ซ้ำกันอยู่นั่นเองเพราะโลก ก็วนตัวเองและวนดวงอาทิตย์ซ้ำๆกันอยู่ในที่และวงโคจรเดียวกันอยู่ทุกวันทุกปีทุกสัตว์บุคคลตัวตนจึงวนเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังที่เรียกว่าสังสารวัฏ ต, ตะสมุทัยได้สร้างมายาต่างๆปิดบังดวงตาปัญญาไม่ให้มองเห็นสัจจะได้สอดแทรกอวิชชาตันหาอุปาทานเข้าไว้ในจิตใจอย่างหนาแน่น ความวนอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้นี้เป็นความเนื่นช้าอย่างยิ่งเป็นความเนื่นช้าที่เราไม่รู้ว่าช้านึกว่าก้าวหน้าไปเร็วมากเหมือนกับเข็มของวินาทีทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นเป็นความเนื่นช้าอย่างยิ่งเวลาเกิดขึ้นจากความวนของเราเองสัตว์โลกทั้งปวงเกิดจากเวลาก็ว่าได้เวลากลืนกินตัวเอง พร้อมทั้งสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนอย่างยักษ์ใหญ่มือหืมาอ้าปากกว้างใหญ่ยิ่งกว่าโลกสัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วเดินบนตัวเองเร็วรอบบ้างช้ารอบคือเดินอยู่มากรอบบ้างแต่ถึงจะช้าก็ไม่เกินหนึ่งรอยรอบไปเท่าไหรนะ่นักดังที่เรียกกันว่าอายุเท่านั้นปีก็คือเท่านั้นรอบที่วนนั่นเองจากนั้นก็เข้าปากยักษ์ใหญ่คือเวลาหายไปหมดสิ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าการย่อมกินสัตว์ที่เกิดมาทั้งหมดพร้อมกับตนเองแต่การเวลาไม่อาจจะกินกรรมและผลของกรรมที่ทุกสัตว์บุคคลตัวตนทําเอาไว้ได้กรรมที่กระทําแล้วย่อมให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วนี่เป็นสิ่งที่การเวลา ไม่สามารถจะกลืนกินได้เมื่อโลกนี้หมุนวนอยู่แต่ทุกคนที่อยู่ในโลกหารู้ว่าโลกหมุนวนไหมเมื่อโลกหมุนวนไปหาจุดเก่าคนทั้งปวงก็คิดว่าวันใหม่คิดว่าสิ่งใหม่สมุทัยได้สร้างมายาขึ้นสำหรับกำบังสัจจะก็คือความจริง สมุทัยได้สร้างมายาในรูปแห่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าโลกธรรมมีอยู่แปดสิ่งนั่นคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศดนินทาสันเสรนมีสุขและทุกข์อันที่จริงทั้ง8ดนี้เป็นธรรมคือของสำหรับโลกใครๆที่เกิดมาก็ต้องพบด้วยกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่องค์พระบรมครูและสาวกทั้งปวงแต่สมุทัย ได้สอดแทรกมายาเข้าไปในจิตใจของคนทำให้โลกธรรมกลายเป็นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจให้ยินดีและยินร้ายคือให้ยินดีในลาบยศสันเสริญสุขให้ยินร้ายในอะลาบอะยศนินทาทุกสมุทัยได้ส่งสมุนเอกคือโลภ โ, โทโสโมโหเข้าไปทำให้โลภอยากได้ในลาบยศสันเสริญสุขอย่างไม่มีอิ่มไม่มีพอ และทำให้มีโทสะเมื่อต้องถูกขัดขวางหรือเมื่อประสบสิ่งที่ตรงกันข้ามทำให้เช่นนั้นก็เศร้าเสียใจอย่างไม่อาจจะยับยัง้งเป็นอันว่าทำให้ยิ่งวุ่นแสวงหากอบกรรมลาบยศสรรเสริญสุขกันอย่างอุตลุดไม่เป็นอันจะคิดทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันแท้จริงแก่ตนและแก่คนอื่นตลอดถึงส่วนรวมให้สมควร ความเจริญต่างๆจิงชะงักงินหรือบังเกิดขึ้นเนิ่นช้าควรที่จะเจริญมากและเร็วก็กลับน้อยและช้าบางทีกลับเสื่อมถอยหลังไปเสียอีกเพราะว่ามัวแต่วิ่งวุ่นแย่งลาบผลเป็นต้นในขณะที่จิตตนครกำลังเจริญเต็มที่ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายคือสมุทัยและคู่บา ร, รมีต่างก็กาลังคุมเชิง มีการกระทบกระทั่งกันประปรายต่างฝ่ายต่างระมัดระวังต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเอาชนะใจนครสามีภาวะอันตึงเครียดนี้ชาวจิตตานครส่วนใหญ่มองไม่เห็นพวกเขามองเห็นแต่ความเจริญสมบูรณ์ต่างๆและพากันรื่นเริงยินดีสนุกสนานนครสามีเองก็ออกมาร่วม กับความสนุกสนานรื่นเริงที่ตรงจุดรวมของทางสีแพร่งของเมืองอยู่บ่อยๆในขณะที่พากาัน ร, รื่นเริงบันเทิงจิตอยู่นั้นได้เกิดสิ่งแปลกปรากฏขึ้นในที่สุดลูกตาห่างไกลจากจิตตานครนสิ่งนี้เมื่อมองออกไปจากจิตตานครจะพบโดยรอบทั้งสี่ทิศ มองดูคล้ายกับเป็นภูเขาใหญ่เห็นไกลลิบลแต่โผล่ขึ้นเป็นเทือกยาววงรอบโอบจิตตะนคอเอาไว้ทุกทิศแต่เดิมมามองไม่เห็นมีภูเขาเห็นเป็นที่ราบรอบไปหมดแล้วก็เรียบไปไกลสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้ท้องฟ้าที่เคยมองเห็นโล่งโดยรอบนั้นไม่ได้เป็นที่โล่งเสียแล้ว แต่กลับมีเทือกเขาโผล่ขึ้นมาโดยรอบแทนนับว่าเป็นนครที่แปลกประหลาดกว่านครอื่นๆในโลกตอนแรกชาวจิตตนครก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามัวแต่เพลิดเพลินในความเจริญงดงามของจิตตนครตื่นเต้นในแสนยานุภาพของจิตตนครและภูเขา ว, วงแหวนโดยรอบจิตตนครนั้นก็อยู่ห่างมากเหลือเกิน มองเห็นอยู่ลิบๆสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ดูต่ำเตี้ยนิดเดียวมองเห็นเขียวเขียวเป็นวงล้อมเมืองอยู่แสนไกลทำให้ตื่นเต้นว่าจะเป็นวงรัศมีของจิตตานครเหมือนอย่างรัศมีของพระจันทร์เมื่อทรงกรดชาวจิตตนครได้เกิดสนใจพากันดูทีแรกก็สงสัยว่าเป็นอะไรและปรากฏขึ้นมาอย่างไร แต่เมื่อคิดว่าวงแหวนล้อมเมืองอันมหึมานี้จะเป็นวงรัศมีของเมืองแสดงว่าบุญวัสนาของเมืองได้จเจริญถึงขีดสูงสุดจึงเกิดรัศมีเป็นวงล้อมอย่างพระจันทร์ทรงกรดก็ยิ่งยินดีปรีดาพากันชมเมืองและตนเองว่าเป็นที่หนึ่งในโลกครั้นนานวันเข้าสิ่งที่มองเห็นเป็นวงรัศมีสีเขียวคล้ายมรากตที่ล้อมเมืองอยู่โดยรอบไกลลิฟนั้น ดูเหมือนเลื่อนใกล้จิตตนครเข้ามาโดยรอบและดูจะค่อยๆสูงขึ้นทั้งค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นว่าเป็นภูเขาหินล้วนจริงๆวงล้อมจิตตนครนอยู่โดยรอบมิใช่เป็นวงรสมีของพระจันทร์ภูเขาวงแหวนนี้ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่สุดอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับสัตว์บุคคลต่างแต่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามา เหมือนอย่างกระชับวงล้อมให้ใกล้แคบเข้าทุกทียิ่งใกล้ก็ยิ่งสูงเงื้อมงั้มชัดเจนขึ้นจิตตนครได้กลายเป็นเมืองที่มีภูเขาเมื่อคือมาค่อยๆกลิ้งเข้ามาหาทั้งสี่ทิศโดยรอบในเมืองจิตตนครเองเริ่มมีอาการแปรปรวนบางอย่างเกิดขึ้นแปลกไปกว่าตก่อนเริ่มจากถนนสายสำคัญสี่สายของเมืองที่เริ่มชำรุดไม่ราบเรียบเหมือนแต่แรก เพราะเหตุแห่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแผ่นดินสุดลงบางแห่งน้ำหลากมาท่วมในบางคราวเกิดไฟไหม้ป่าบ้างพายุใหญ่บ้างบางทีชาวจิตตนครก็ก่อเหตุขึ้นเองเช่นขุดกลนดินเผาป่าหรือวางเพลิงด้วยเหตุที่ไปนิยมเชื่อฟังสมุนไารของสมุทัยทั้งหลายระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในก็เริ่มเชื่องช้าลง ไม่ว่องวยรวดเร็วเหมือนแต่แรกหัวหน้าระบบสื่อสารชั้นนอกคือหัวหน้าระบบตาเมืองชื่อว่าจักขุประสาทก็เริ่มมีสายตามัวหัวหน้าระบบหูเมืองชื่อโสต ป, ประสาทก็เริ่มมีอาการตึงหัวหน้าระบบจมูกเมืองก็มีอาการจมูกชาหัวหน้าระบบลิ้นก็เริ่มมีลิ้นที่จืดชืดหัวหน้าระบบกายเมืองก็มีความอ่อนเพลีย หัวหน้าใหญ่ระบบสื่อสารทั้งหมดที่ชื่อว่ามาโนหรือสมองก็ชักจะมึนงงบ่อยเข้าเป็นเหตุให้นครสามีเกิดความไม่สะดวกขัดข้องไปด้วยจึงต้องมีการบูรณะปฏิสังขรจิตตนครกันอยู่เนืองเนืองแต่ความแปรปรวนชมรุษในจิตตนครนี้บางอย่างก็ซ่อมแซมได้แต่บางอย่างก็บูรณะให้คืนดีเหมือนเดิมไม่ได้เช่นความเก่า สิ่งที่เก่าลงไปจะทำให้กลับใหม่ขึ้นอีกไม่ได้ความแก่เก่านี้ชาวจิตตนครเรียกกันว่าความแก่หรือชราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบบางคนยอมปล่อยแก่แต่ส่วนมากไม่ยอมต่อสู้กับความแก่อย่างสุดกำลังเครื่องต่อสู้ก็มีต่างๆเช่นเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องตกแต่งต่างเพื่อที่จะอําพรางให้เห็นว่าเป็นของใหม่ สมุทัยสนับสนุนการต่อสู้นี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้จิตตานครดำรงความงดงามเรียบร้อยไม่ให้ความแก่หรือชราปรากฏออกไปภายนอกเมื่อความงดงามปรากฏแก่ตาเมืองและความสมบูรณ์อื่นๆปรากฏอยู่แก่หูเมืองเป็นต้นระบบสื่อสารเหล่านี้ก็ส่งเข้าไปยังมโนและถึงนครสามีทาให้นครสามีเข้าใจว่าทุกๆอย่าง ยังคงงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์แม้ว่านครสามีจะรู้ว่าเป็นการอําพรางแต่ก็อยากจะเข้าใจอยากจะเห็นจะฟังจะคิดว่างามว่าสมบูรณ์จึงพอใจที่จะถูกอําพรางทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ในช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามการเปลี่ยนแปลงของนคกสามีที่เริ่มจะเปลี่ยนไปค่ะนั่นก็คือเริ่มจะแก่นั่นเองนะคะ นครสามีจะรับกับความแก่ความชารานีได้หรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ห้องสมุดหลังไม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับห้องสมุดหลังไม่ไปจิตตานครนะคะ่ะใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะ เดี๋ยวจะได้เห็นการญาตราทัพของทั้งสองฝ่ายในขณะที่เล่าเรื่องนี้อยู่ตรงกับสถานการณ์อันคุกรุ่นของบ้านเมืองอยู่พอดีนะคะที่กําลังมีการญาตราทัพของทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันแม่มาตรงโดยที่ไม่ได้นัดหมายกะเกณฑ์มาก่อนเลยนะคะช่วงแรกเราจะไปชมการญาตราทัพของฝ่ายสมุทไทยกันก่อนคะ่ะว่าจะมีความยิ่งใหญ่สักแค่ไหนขุมทรัพย์กําลังของฝ่ายสมุทไทยมีใครบ้าง ฟังแล้วลองเทียบเคียงดูนะคะว่าใกล้เคียงฝ่ายไหนยังไงเทียบเคียงดูแบบคำๆเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่ตรงกับความเป็นจริงอย่างน่าแปลกใจนะเออมันเหมือนกันโดยบังเอญยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าใครจะเหมือนฝ่ายไหนก็ลองพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะคะ คุณทัพพงที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังจิตตานครตอนนี้เป็นตอนที่10นะคะคุณทัพพงสามารถที่จะย้อนไปฟังได้ตั้งแต่ตอนแรกก็ไล่เรียงไปค่ะเป็นบริการดีๆจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะซึ่งตอนแรกของจิตตานครเล่าไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่31ตุกหตุลาคมนะคะย้อนหลังไปได้เลยค่ะ และเรื่องนี้ดีมากถ้าเกิดว่าคนที่สนใจธรรมะนะคะน่าจะฟังได้อย่างสนุกสนานแต่สำหรับบรรดามือใหม่ที่ไม่เคยสนใจธรรมะมาก่อนดิฉันว่าฟังแล้วก็จะสร้างความบันดาลใจทำให้อยากจะศึกษาธรรมะนะถ้าธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมชาติของจิตใจไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของวัดแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนสนุกคะ่ะเป็นการทาความรู้ใ จ, จ ทำความรู้จักรู้ใจกับใจของเราเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดกับการเรียนรู้เพราะนี่คือสาเหตุแห่งความสุขความทุกข์โดยตรงของเรานี่คือพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆคับปริณายกนะคะที่มอบเอาไว้ให้แก่ชาวไทยแล้วก็อาจจะไม้รวมไปถึงผู้อ่านที่สนใจในเรื่องนี้ทุกๆ ท, ท, ท่านนะคะ พร้อมหรื อ, อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปจิตตะนครกันต่อเลยนะคะไปดูการเปลี่ยนแปลงของนครสามีที่เริ่มแก่คำบาดใจหลายคนค่คะในไม่นานนะักสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นสีเขียวเป็นวงล้อมรอบจิตตะนครดูเหมือนว่าจะค่อยๆสูงขึ้นและกระชับวงล้อมแคบเข้ามา ก็ได้บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกับอาการแปรปรวนบางอย่างในจิตตานครถนนสายสำคัญสี่สายเริ่มแสดงอาการชำรุดระบบสื่อสารเริ่มเชื่องช้าไม่ว่องวัยแต่กองทัพใหญ่ฝ่ายสังโยธหาได้ระสัศมีสายไปไม่กลับรวมกำลังกระชับแน่นยิ่งขึ้นต้องการที่จะคุมอำนาจในจิตตานครไว้แต่ฝ่ายเดียว สมุทัยกับคู่อาสวะและสังโยตบดีแม่ทัพใหญ่ได้ประชุมหารือวางแผนที่จะปราบปรามกองทัพใหญ่มักมักมักมีองค์แปดนะคะและพยายามที่จะครองใจนครสามีกับชาวเมืองทั้งปวงสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นและอาการแปรปรวนดังกล่าวได้เป็นเครื่องช่วยสมุทัยให้ได้รับความโปรดปรานขึ้นอย่างหนึ่งคือ เมือนครสามีออกไปปรากฏที่ใจกลางเมืองอันเป็นที่รวมของถนนใหญ่สี่แพร่งดังกล่าวแล้วแต่เดิมชาวจิตตะนะครพากันตื่นเต้นชื่นชมว่างดงามยิ่งนักทั้งเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่งามพร้อมอยากจะดูจะชมอยู่นึงนึงคล้ายๆกับคนหนุ่มสาวทั้งหลายผู้กำลังรักสวยรักงามอยากจะชมเงาหน้าของตัวเองในกระจกเงาอยู่นานนานนึงนง ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่างามครั้นเมื่อเกิดสิ่งแปลกและอาการแปรปรวนดังกล่าวขึ้นลักษณะของนครสามีเองก็เปลี่ยนไปด้วยนั่นคือเมื่อออกมาปรากฏที่กลางใจเมืองชาวเมืองก็พากันเห็นว่ารูปโฉมของนครสามีก็เริ่มจะแปรเปลี่ยนเสียแล้วความเป็นหนุ่มเป็นสาวลดลงไปความงดงามน้อยลงดูซุดโทมลงเช่นเดียวกับถนนทั้ง4ี่สาย เมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างไม่ได้นึกฝันต้องการก็พากันตกใจบางคนถึงกับเผ้อร้องขึ้นดังๆว่าแก่แก่ฝ่ายนครสามีได้ยินเสียงทักอย่างแปลกประหลาดดังนั้นก็ตกใจรีบกลับเข้าไปทันทีเพราะทุกๆครั้งแต่เดิมมาชาวเมืองพากันร้องชมว่ายุบพวัยงามพร้อมแต่มาครั้งนี้ได้รับคำทักที่น่าตกใจว่าแก่แก่ก็มีอาการใจเสีย อย่างที่เรียกกันว่าเกือบจะเป็นลมพับไปนะที่กลางใจเมืองนั้นสมุทัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเสนอวิธีแก้ไขแล้วก็ทับถมคู่บา ร, รมีบอกว่าความจริงนครสามีไม่ได้แก่อย่างที่ชาวเมืองทักหรอกยังคงอยู่ในวัยอันงดงามแต่คงเป็นเพราะคู่บา ร, รมีแล้วก็พรรคพวกนั่นเองที่ชอบแสดงตัวว่าเป็นคนแก่ธรรมะชอบนําคําแห่งพระบรมครูของพวกเขามาแสดงสอนชาวเมืองว่า ควรพิจารณาหนึ่งนึงนั่นก็คือคำกล่าวว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงความแก่ไปได้บางทีชาวเมืองบางกลุ่มอาจจะแก่ทาตามไปด้วยจึงเพลอร้องขึ้นต่อหน้านครสามีว่าแก่แก่นะับเป็นเรื่องของคนที่เผลอสติแท้แ ท, ทีเดียวไม่มีความจริงอยู่เลยฉะนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้มีเสียงทักที่วิปริตเช่นนั้นเกิดขึ้นให้เป็นที่กวนใจนครสามีอีก สมุไทยได้ช่วยป้องกันนครสามีมีให้เห็นและก็คิดถึงความแก่ด้วยวิธีการแยบยนต์หลายอย่างได้บุรณะตกแต่งที่จุดกลางใจเมืองอันเป็นที่บรรจบแห่งถนนสีสายของเมืองซึ่งเป็นที่ออกปรากฏกายของนครสามีเพราะว่าจิตตานครนี้คล้ายกับเป็นเมืองอาถรรพ์แปลกประหลาดแตกต่างไปจากเมืองในโลกทั้งปวงอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วนะคะ ว่าอย่างเช่นระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในระบบขนส่งระบบถ่ายเทซึ่งใช้าท่อทั้งนั้นระบบครัวเมืองหรือท้องเมืองซึ่งมีโรงครัวใหญ่แห่งเดียวเลี้ยงคนทั้งเมืองมีระบบปันส่วนอาหารเหมือนกันหมดมีการกินอาหารอยู่เสมอเหมือนกันอิ่มด้วยกันอดด้วยกันระบบการส่งอาหารไปเลี้ยงทั้งเมืองก็ใช้ท่อเช่นเดียวกันระบบสื่อสารระบบขนส่งระบบครัวเมืองเป็นต้น แบบนี้ยังไม่มีเมืองไหนในโลกทําได้แล้วก็ยังมีโรงงานต่างๆอีกมากมายแล้วก็ยังมีถนนที่สําคัญของเมืองสี่สายมาบรรจบกันตรงกลางใจเมืองซึ่งเป็นที่นครสามีออกมาปรากฏกายตรงที่บรรจบกันของถนนสีสายนี้ก็มีความแปลกประหลาดคือเมื่อถนนเรียบร้อยไม่ชารุดดูเหมือนสร้างขึ้นใหม่กายของนครสามีจะปรากฏว่าดารงอยู่ในวัยที่สวยสดงดงามยิ่งนัก เป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวจิตตะนะครทั้งปวงแต่เมื่อถนนเหล่านี้ชำรุดซุดโทมไปตามกาลเวลากายของนครสามีจะปรากฏว่าซุดโซมหนังที่เรียกว่าแก่เพราะฉะนั้นสมุทยจึงพยายามบุรณะตกแต่งทางสีแพร่งอย่างเร่งด่วนโดยมอบให้เป็นหน้าที่ของนายช่างตันหาผู้เป็นนายช่างที่มีฝีมือและก็มีชื่อเสียงที่สุดของสมุทยนายช่างตันหาเป็นผู้ฉลาด ในการบูรณะตกแต่งชั้นยอดในโลกสิ่งที่ชมรุดจริงๆบูรณะไม่ไหวแล้วก็ยังสามารถตกแต่งปกปิดแล้วก็อําพรางให้เห็นภายนอกว่าสมบูรณ์ไม่บกพร่องนอกจากจัดบูรณะตกแต่งดังกล่าวสมุไทยยังได้จัดคนไว้หมู่หนึ่งให้คอยร้องชมนครสามีว่ายุบพวายงามพร้อม ถ้าจะมีนักแก่ธรรมะที่ไหนมาร้องว่าแก่แก่ก็ให้รีบร้องชมดังกล่าวให้ดังให้กรบเสียงที่วิปริตนั้นให้จงได้ครั้นจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้สัญญาณนครสามีให้ออกปรากฏกายได้เมื่อนครสามีออกปรากฏกายก็มีเสียงร้องชมเสียงแซ่ว่ายุบพวัยงามพร้อม เป็นเหตุให้นครสามียินดีชื่นบานเป็นอย่างยิ่งหายระทมหม่นหมองในทันทีอ่านตอนนี้แล้วก็โดนใจนะคะเพราะว่าคนโดยมากก็ชอบยอมมากกว่าชอบคำจริงกันทั้งนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ก็รู้ว่าเรานี่ก็แก่แล้วแต่พอมีคนชมบอกว่ายังไม่แก่แม่รู้สึกชื่นใจชื่นบานนครสามีก็เป็นเช่นกันเอาละคะ่ะทีนี้ มาติดตามการญาตราทับนะคะของกองทัพใหญ่ที่ชื่อว่าสังโยดคือฝ่ายสมุทรไทยเห็นว่านครสามีกำลังโปรดปรานเพราะได้ช่วยแก้เหตุการณ์ที่น่าตกใจกลัวไว้ได้แม้จะด้วยวิธีตกแต่งอําพรางก็ตามก็เห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตนเป็นการข่มขู่ขวัญของอีกฝ่ายและเป็นการดึงจิตใจของชาวเมืองให้มาเข้าสนับสนุนฝ่ายตน จึงขออนุญาตนครสามีเพื่อแสดงแสนยานุภาพกองทัพใหญ่สังโยช์โดยจัดให้มีการเดินสวนสนามต่อหน้าของนครสามีนักกลางใจเมืองจุดที่ถนนใหญ่สี่สายมาบรรจบกันครั้นได้รับอนุญาตแล้วสมุทัยก็เรียกประชุมหารือกับคู่อาสวะและสังโยดบดีแม่ทัพใหญ่เตรียมการสวนสนาม และเมื่อได้เตรียมการทุกอย่างพร้อมได้กำหนดวันเวลาเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศพิธีสวนสนามและวันเวลาชักชวนชาวจิตตนาคนครทั้งปวงให้มาดูชมครั้นถึงวันสวนสนามค่ะแม่ทัพใหญ่สังโยศก็ได้ชุมนุมกองทัพใหญ่สังโย์ทั้งสิบเอาไว้พร้อมสับประชาชนชาวจิตตนครก็มาดูกันอย่างแน่นขนาดเมื่อได้เวลานาครสามีก็ปรากฏกายที่ใจกลางเมือง กองทัพสังโยช์ก็เริ่มเดินสวนสนามผ่านที่สถิตแห่งนครสามีเริ่มแต่กองทัพน้อยที่หนึ่งไปโดยลำดับดังนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของกองทัพสังโยช์ทั้งสิบนะคะนั่นก็คือหนึ่งกองทัพสักกายะทิฐิหมายถึงกองทัพแห่งความเห็นเป็นเหตุยึดถือตัวตนแบ่งออกเป็น5้าเหล่าคือเหล่ารูป เหล่าเวทนาเหล่าสัญญาเหล่าสังขาเรเหล่าวิญญาณแต่ละเหล่ายังแบ่งออกเป็นสี่หมู่คือหมู่ขันเป็นอัตตาหมู่อัตตามีขันหมู่ขันในอัตตาหมู่อัตตาในขันรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบสองกองทัพวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจแบ่งออกเป็นสามเหล่าใหญ่คือเหล่าอัตตาอดีตเหล่าอัตตาอนาคต เราอัตราปัจจุบันเราอัตราอดีตแบ่งออกเป็นห้าหมู่คือจักมีเราต่อไปหรือจักไม่มีเราต่อไปหรือเราจักไปเป็นอะไรเราจักไปเป็นอย่างไรเราจักไปเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปเราอัตราปัจจุบันแบ่งออกเป็นหกหมู่คือเรามีอยู่หรือเราไม่มีอยู่หรือเราเป็นอะไรอยู่เราเป็นอย่างไรอยู่สัตว์คือเรานี้มาจากไหนจากไปไหน และยังแบ่งออกเป็นอีก8ดเหลา่าคือเหล่าที่กังขาในพษษ Sergio, นระศาสดาเหล่ากังขาในพระธรรมเหล่ากังขาในพระสงฆ์เหล่ากังขาในศิกขาเหล่ากังขาในเงื่อนต้นเหล่ากังขาในเงื่อนปลายเหล่ากังขาในทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายเหล่ากังขาในปฏิจจสมุปปบาท 3. กองทัพศีลภัตตปรามาตรคือความถือศีลและวัดต่างๆ ด้วยความปรารถนาผลมีลาบเป็นต้นหรือถือด้วยความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์และอย่างละเอียดคือยังต้องถือคือยังต้องรักษาอยู่ยังไม่ถึงขั้นศีลและพรศรักษาแบ่งออกเป็นสองเหล่าคือเหล่าศีลปรามาสเหล่าวัดปรามาสแต่และเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายสิบหมู่ 4. กองทัพการมราคา ความติดยินดีกำหนักในกามหรือเพราะกามแบ่งออกเป็นห้าเหล่าคือเหล่ารูปเหล่าเสียงเหล่ากลิ่นเหล่ารสเหล่าสิ่งที่ถูกต้องทุกเหล่าล้วนแต่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่และเหล่าแบ่งออกไปอีกหลายสิบหลายร้อยหมู่กองทัพใหญ่สังโยตเพียงเท่าที่กล่าวมาเนี่ยยังไม่หมดแต่ก็มากมายนักแล้วนะคะอำนาจของกองทัพใหญ่นี้ ก็คืออำนาจอันยิ่งใหญ่ของกิเลสที่มีอำนาจเหนือจิตใจอย่างมากมายแล้วก็น่าสะพึงกลัวนั่นเองมาถึงกองทัพที่5ค่ะคือกองทัพ ป, ปฏิฆะที่หมายถึงการกระทบกระทั่งหงุดหงิดแห่งจิตแบ่งออกเป็นสิบเหล่าคือเหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหล่าอาฆาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหล่าอาฆาต ว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหล่าอาคาดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเราเหล่าอาคาดว่าเขากําลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเราเหล่าอาคาดว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเราเหล่าอาคาดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเหล่าอาคาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเหล่าอาคาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเหล่าโกรธในฐานะอันไม่สมควรทั้งปวงและก็ยังมีแบ่งออกไปเป็นหมู่ต่างๆอีกมากมาย 6. กองทัพรูปปาราคา่ะ ความติดอยู่ในรูปธรรมหรือในอารมณ์แห่งรูปฌานแบ่งออกเป็นสามเหล่าคือเหล่าคณิกะหรือบริกรรมเหล่าอุปจารเหล่าอัปปนาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากหมู่โดยเฉพาะเหล่าอัปปนาแบ่งออกไปอีกสหมู่คือหมู่ปฐมรูปฌานหมู่ทุติยรูปฌานหมู่ตติยรูปฌานหมู่จะถุดจะตุถะรูปฌาน เจ็กองทัพอรูปปราคะคือความติดอยู่ในอรู ป, ปธรรมหรือในอารมณ์แห่งอรูปฌปานแบ่งออกเป็นสามเหล่าก็คือเหล่าคณิกะหรือปริกกรรมเหล่าอุ ป, ปจานเหล่าอุปอปนาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกหลายหมู่เช่นเดียวกับกองทัพรูปปราคะ แ, และเหล่าอัปนายังแบ่งออกไปอีกสี่หมู่คือหมู่ปฐมอรูปฌานหมู่ทุติยอรูปฌาน หมู่ตติยะอรูปฌานหมูจ่จตุทะอรูปฌานกองทัพมานะคือกองทัพที่8ความสำคัญว่ายังมีเราแบ่งออกเป็น9ก้าเหล่าคือเหล่าดีกว่าเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเหล่าดีกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาเหล่าดีกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาเหล่าเสมอเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขา เหล่าเสมอเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาเหล่าเสมอเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาเหล่าเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเหล่าเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาเหล่าเลวกว่าเขาแต่สำคัญตนว่าเลวกว่าเขาและแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกหลายสิบหมู่กองทัพที่สิบกองทัพอุทจักความคิดพลาน แบ่งออกเป็นสามเหล่าคือเหล่าอารูปปัสมะความไม่สงบเหล่าเจตวิเคเขปะความฟุ้งซ่านแห่งใจเหล่าจิตพันตะความหมุนไปแห่งจิตแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกเหล่าแล้วหกหมู่คือหมู่รูปารมหมู่สัทธารมหมู่คันธารมหมู่รสารมหมูธธ่โพัพารมหมู่ธรร ม, ม, รมารมกองทัพอุทธจารนี้ยังมีกองทัพสหายติดตามนุนเนื่องอีกด้วย ความโมโหรานของกองทัพสังโยชนี้นับว่าน่าสะพึงกลัวนักแต่ความเจริญก็มีอยู่ว่ากองทัพนี้ถูกปราบให้ราบเรียบไปได้และพระพุทธองค์ก็ทรงปราบได้ราบเรียบไปแล้วด้วยกองทัพที่ทรงแสนยานุภาพยิ่งกว่าเหลือที่จับประมาณได้มาถึงกองทัพที่สิบกองทัพอวิชชาความไม่รู้จริงแบ่งออกเป็น8ดเหล่าคือเหล่าไม่รู้ในทุก เ ร, ร uk, เราไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์เราไม่รู้ในความดับทุกข์เราไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราไม่รู้ในเงื่อนต้นหรืออดีตเราไม่รู้ในเงื่อนปลายหรืออนาคตเราไม่รู้ในเงื่อนทั้งสองหรือทั้งอดีตทั้งอนาคตเราไม่รู้ในธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายหมู่ กองทัพใหญ่สังโยต์อันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้ง10ได้เดินสวนสนามผ่านพักนะครสามีและผ่านหน้าประชาชนเมืองที่มาดูกันอย่างแน่นขนัดและได้ผูกใจนครสามีและประชาชนอย่างแน่นแฟน์กองทัพสักยทิฐิผูกใจให้ยึดถือกายของตนอย่างมั่นคงกองทัพวิจิกิจฉาผูกใจให้สงสัยในตนและสงสัยในพระรัตนตรยัยกองทัพสีลพระตปรามาศ ผูกใจให้ถือครังถือโชคลางต่างๆจะเว้นอะไรจับประพติอะไรก็เพื่อสนองความประสงค์ของสมุทยัยกองทัพการ ม, มาราคะผูกใจให้พากันยินดีติดอยู่ในกามทั้งปวงกองทัพ ป, ปฏิฆะผูกใจให้กระทบกระทั่งหงุดหงิดกองทัพรูปป ร, ราคะผูกใจให้ติดในรูปารมณ์ตลอดถึงอารมณ์แห่งรู ป, ปรชาญทั้งปวงกองทัพอรู ป, ป ร, ราคะ ผูกใจให้ติดในอรูปารมณ์หรือในอารมณ์แห่งรูปอารูปประชานทั้งปวงกองทัพมานะผูกใจให้เกิดความสำคัญตนต่างๆกองทัพอุท ธ, ธจักผูกใจให้ฟุ้งซ่านรำคาญกองทัพอวิชาผูกใจให้ไม่รู้จริงให้เห็นผิดให้หลงเข้าใจผิดต่างๆสมุทยัยได้แสดงโอ้อวดว่ากองทัพสังโยชตอันเกรียงไกรประกอบด้วยแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุด สามารถที่จะครอบงําไตรภูมิโลกได้ทั้งหมดฉะนั้นทุกๆแห่งในโลกไตรภูมิพากันเบรย่นเบรย่รยอต่อกองทัพใหญ่สังโยชนนี้ไม่มีผู้ใดจะสามารถทําลายกองทัพใหญ่สังโยชนนี้ได้จิตตะนะครเป็นนครที่หนึ่งในไตรภูมิโลกและนะครสามีก็จะเป็นผู้ครองไตรภูมิโลกทั้งหมดคําโฆษณาชวนเชื่อของสมุทัย ทำให้นครสามีและชาวจิตตานะครทั้งปวงพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชนับว่าการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชน์ที่สมุทัยจัดขึ้นได้ผลผูกใจคนทั้งปวงอย่างแนบแน่นเป็นที่สมใจของสมุทัยเป็นที่สุดตอนหน้า มาติดตามทางด้านกองทัพใหญ่ของฝ่ายคู่บารมีกันบ้างนะคะนั่นก็คือกองทัพใหญ่มักวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่กับการพาดเดินทางท่องเที่ยวจิตตะนครแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่11ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง